ประครับประครองโลกกระทาของมนุษย์นี่รับรองโลกของตัวใครตัวมันนี่แหละใครว่ากัโลกอันหนึ่งซึ่งมีผมลองรับลองรับให้นั่งจะนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็เป็นการนั่งขัดสมาธิเพื่อจเจริญบําเพ็ญภาวนา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 ภาษาทะเฟือเลื่อมใสในตัวเองถ้าขืนไปเชื่อคนอื่นคนอื่นเขากินข้าวอิ่มท้องเรามั้ยเรากินข้าวอิ่มท้องคนอื่นไหมถามใจตัวเองนะเราจะเชื่อเขาหรือเชื่อเรา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 แต่ถ้าเป็นรอยยิ้มหรือว่าแย้มของพระพุทธเจ้านันผิดจะพบรอยยิ้มแต่ละข้างนี่ก็หายากมีข้างหนึ่งถ้านึกไม่ผิดตัวถ้าจาไม่ผิดรู้เสร็พระเจ้าทีปังกรนพระพุทธเจ้านามทีปังกรนไง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 การสู้รบทุกหัวเมืองนี่จะลาบค่าไปเพราะพระองค์ยกทัพออกอ่ะสั่งทัพออกไปบีธานเนี่ยนักรบที่เก่งกล้าสามารถขนาดนั้นยังมาแพ้รอ ย, ยิ้มของนางใส่สีรอ ย, ยิ้มรอยแยมมาหลงรอ ย, ยิ้มของนายใส่ดงใส่สีอันเป็นค่าสึก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 เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดตอนุตลรสัมมาสัมโพธิยามเป็นพระสัพพัญญูสัมมามพุทธเจ้าเสียบ้อยแล้วเนี่ยเศรษิมุติสุขอยู่ในที่จงกรมบ้างในที่นั่งสมาธิตไม้จิกบ้างเทพเจ้าที่เขา อ, อยากจะมาทดลองอ โคตมัสสากยบุตรวาตัสลูนี่เป็นมนุษย์แท้ๆอิทธิมันโตชุติมันโตวันเาวันโตยสัทติโนจะมีอิทิฤทธิหรือเปล่าเนมียศหรือเปล่านมีความรุ่งเรืองมีวันน่างามเหมือนเราหรือเปล่าเนามีรัศมีมากเหมือนเราไหมพวกเทพอพวกดวงดาวดึงสวรรค์มาอวดฤทธิ